แล้วท่านก็ไปทา้าฤษีที่เป็นฉดินสามพี่น้องตอนเน้นะมันมากเลยตอนทา้นนะาฤษีเนี่ยนะเพราะฤษีเนี่ยสำคัญว่าตัวเองเก่งสำคัญว่าตัวเองเก่งก็ไม่เชื่อง่ายๆว่าใครจะเก่งกว่าตัวเองขณะพระพุทธเจ้านะเดินเดินไปขอที่พักฤษี ไม่อยากให้พักเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกเลื่อมใสแล้วนะใจเนี่ยเลื่อมใสแล้วถ้าให้เขาในความรู้สึกของฤๅษีนะบอกว่าถ้าให้สมณะองค์นี้มาพักเดี๋ยวลูกศิษย์เราเนี่ยจะไปศรัทธาสมณะองค์นี้สมณะรูปนี้ก็เลยบอกปัดไปว่าไม่มีที่พัก พ, พระพุทธเจ้าก็แน่เหมือนกันนี่พูดภาษาสำนวนอาตมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่า นักบวชกับ น, นักบวชถ้าไม่อื้อเฟือกันแล้วใครจะเอื้อเฟื อ, <c oughs> โ, อโห่ๆนี่นะถ้าไม่มีที่พักโรงบูชาไฟนั้นว่างอยู่เราขออนุญาตพักได้ไหมฤาษีก็ปฏิเสธไม่ออกอแล้วก็คิดว่าในโรงไฟนั้นนะ่ะมีพญานาคอยู่ดีแล้วที่ที่ขอพักเองเราไม่ได้ขับสายไล่ส่งหรือว่าเสือ ก, กสายไล่ส่งให้ไปพักที่นั่น ดีแล้วที่ไปพักเองเจอพญานาคจะได้ตายเองเราไม่ได้ออกอุบายให้ฆ่าเขาเลยดีเลยเพราะนั้นเราอนุญาตถ้าท่านประสงค์จะพักก็พักเถิดในใจดีแต่ปรากฏว่าคืนนั้นคืนนั้นเนี่ยฤาษีก็เฝ้ามองเหมือนคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฤศีเวลาไปบูชาไฟเนี่ยนะ่ต้องไปเป็นทั้งหมดเพราะว่ากลัวพญานาคแต่สมณะองค์นี้เนี่ยเข้าไปองค์เดียวรูปเดียวก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะรอดูซิว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะไปเก็บศพคืนนั้นก็ฤศีทั้งหลายก็รู้ว่ามีสมณะหนุ่มรูปงามองค์หนึ่งไปพักอยู่ในโรงไฟก็จับกลุ่มซุบซิบ ระหว่างจากกลุ่มซุบซิซุซิบนั้นโรงไฟก็วาบไปวาบมามีไฟนะสว่างไปสว่างมาเอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วโดนานาคเล่นงานแล้วเพราะพญานาคเนี่ยพอโผล่ขึ้นมาเห็นบุคคลแปลกหน้ามาพักอยู่ในที่บูชาก็เลยแสดงอำนาจให้เห็นว่าตัวเองนี่มีอำนาจนะจงเคารพเราประมาณอย่างนี้แต่พระเจ้าไม่กลัว ไม่กลัวก็ต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เขากลัวให้ได้ทำยังไงถ้าเป็นพวกเราก็จะเท้าสะเอลใช่ไหม <laughs> ชี้หน้าด่า <laughs> ทำไมนาคไม่เท้าเอล <laughs> นาคไม่มีมือ <laughs> นาคใช้ทำไงพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟไปไฟไปไม่ถึงโดนลมหวนกลับไหม่ตัวเอง พ่นแรงอีกก็โดนตัวเองแรงยิ่งพ่นเท่าไหร่ตัวเองยิ่งไหม้เท่านั้นแล้วท่านก็จับพญา น, นาคเนะี่ยมาขดในบาดพอไฟหายวูบว่าไปแล้วเนี่ยนะฤาษีทั้งหลายก็โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วสมณะรูปหล่อไม่น่าเลยไม่น่าเลยได้แต่บ่นเสียดายโอ้ไม่น่าเลย เ, ลยบบ เ, ยเลยช้ามาก็ปรากฏว่าเตรียมจะเข้าไปเก็บศพแต่ท่านออกมาก่อน พระุธเจ้าออกมาก่อนก็เปิดบาทให้ดูโอ้พาญนานาคของเรากลายเป็นงูเขียวไปแล้ว <c oughs> อัตมาอ่านพุทธประวัติตอนนี้นะสมัยนั้นเนี่ยนึกถึงว่าฮอลลีวูดน่าจะเอาตรงนี้มาทำหนังนะั <c> ่น <oughs> <c oughs> โอ้ฉากนี้ต้องมันแน่ๆเล ย, เยแล้วก็มันมีหลายฉากนะบางฉากเนี่ยฉากสุดท้ายตอนที่ ฤรียอมเียนะคือฤรีเนี่ยเห็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยใจเนี่ยนะก็ว่าโอ้สมณะรูปนี้ เ, นเก่งจริงๆพญานาคเนี่ยเรากลัวมากเลยนะแต่สมณะรูปนี้สามารถเอาพญานาคมาขดในบาทได้พระพุทธเจ้าก็วันรุ่งขึ้นก็เสด็จไปไปที่ไกลคือไปที่ต้นเขาเรียกต้นอะไรชมพูนี่มันต้ น, ต, นต้นว่า ต้นว่าประจําถวีปต้นว่าประจําทวีปลูกว่าจะใหญ่มากและฤาษีก็รู้ว่าลูกว่าเนี่ยไม่มีที่อื่นนอกจากต้นว่าประจําทวีปนี้เท่านั้นท่านก็ไปบินทบาทเทวดาเอารูกว่ามาใส่ให้ท่านก็มาเอามาฤาษีขอดูหน่อยไปบินทบาทเห็นได้อะไรบ้างโห้ลูกว่านี้แถวนี้ไม่มีลูกว่าลูกใหญ่อย่างนี้แถวนี้ไม่มีต้องมาจาก ต้นประจําทวีปนี้เท่านั้นท่านก็มีความรู้นะแต่ท่านไม่เคยไปเองแต่พอเห็นแล้วโอ้โหสมณะรูปนี้เนี่ยมีฤทธิ์มากสามารถเหาะไปถึงต้นไม้ไกลๆได้แต่ยังไงก็คงไม่ใช่พระอรหันต์เราเนี่ยพระอรหรันต์คิดอย่างนี้นะท่านก็ไปบินนาบาตอีกบินนบาตถึงอุตรากุลุทวีปท่านบอกอย่างนี้นะทวีปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บางคนก็ตีความว่าอยู่อเมริกาบ้างอยู่ยุโรปบ้างเลยนะ แต่ท่านบรรยายว่ารูปร่างลักษณะของคนทวีนั้นเนี่ยน่าจะกลมๆอายุ500ปีตอนนี้คงไม่ใช่คนในโลกนี้ละน่คงเป็นคนมนุษย์ต่างดาวประมาณนี้นะท่านก็นถามว่าอาหารแปลกๆนี่ไม่เคยเจอไปบินเทบา ท, ที่ไหนมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปอุตรดลรุทวี บ, บ้างไปโคยานทวีบอะไรที่ทวีอื่นโลกอื่น โอ้สมัม衲อง์นี้เก่งจริงๆแต่ยังไงก็คงไม่ใช่พระอาหารหันต์เพราะเราคือพระอาหารหันต์องนี้ไม่ใช่หรอก <g ül> ประมาณนี้เพราะไม่ยอมบูชาไฟเราบูชาไฟองค์นี้ไม่ได้บูชาไฟก็ ค, คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปจนสุดท้ายฝนตกหนักฝนตกหนักน้ําท่วมพอน้ําท่วมฤาษีทั้งหลายก็เดือดร้อนน้ําเย็นจริงแต่ใจร้อน ต้องเก็บข้าวของลงเรือคนที่มีเรือก็ลงเรือคนที่ไม่มีเรือก็ต่อแพรเก็บจนหมดฤาษีนั้นมีบริวารอยู่5้0นับคนแล้วครบ500อโอเคเราปลอดภัยทั้งหมดอ้าวสมณะนั้นหายไปไหนไปดูสิจมน้ำตายแล้วมั้งก็พายเรือไปน้ำในท่วมสูงมากเขตตรงนั้นคือเป็นเขตระหว่างแม่น้ำสองสาย ใครเคยไปอินเดียตรงที่เป็นเา้าเรียกว่าอะไรอะูรุเวลาเสนาณิคมเคยไปไหมขยาขยาข้าแม่น้ำเนรัญชราไปเลยนะจะเป็นที่ที่ีหรือส500เนี่ยอาศัยอยู่ข้าแม่น้ำไปแล้วเนะเดินไปอีกหน่อยนึงหน่อยนึงก็ไกลเหมือนกันนะหน่อยนึงนี่ก็ประมาณ 2-3 กิโล จะถึงแม่น้ําอีกเส้นหนึ่งซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆก็จะท่วมทั้งหมดเลยฤาษีถูกน้ําท่วมเช็คจํานวนแล้วเหลือสมณะหนุ่มรูปนั้นก็คือภูเธเจ้าของเราก็อยู่ด้วยกันมานานหลายวันเห็นฤทธิ์กันมานานหลายวันนะก็เกิดมีความผูกพันกันอยู่เฮ้ยสมณะนั้นจะเป็นยังไงจะเป็นตายรายดียังไงไปดูซิ ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ากําลังเดินจงกรมน้ําท่วมในนะ้ํามิดหัวเลยนะน้ําท่วมมิดหัวเลยแต่ตรงที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เนี่ยน้ําเหมือนถูกกั้นเป็นกําแพงเหมือนเวลาโยมเดินอยู่ตรงทางจงกรมของบ้านจิตสบายกําแพงต้นไม้เป็นน้ำอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เดินจงกรมตรงที่พระเจ้าเดินอยู่เนี่ยไม่มีน้ําเลยไม่โดนน้ําเลยเดินไปในฝุ่นอย่างฟุ้งขึ้นมาเลย เขาบรรยายว่ารือสีเนี่ยต้องก้มดูภายเลือเนี่ยต้องก้มดูก้มดูแล้วก็โอ้อัศาจารย์จริงๆสมณะรูปนี้สามารถอยู่ได้แล้วก็น้ำก็ไม่ไ ม, ไม่ทำอันตรายน้ำไม่มีชีวิตจิตใจยังกั้นเอาไว้ไม่ยอมท่วมตรงจุดที่สมณะนั้นพักแล้วก็เดินจงกลมอัศาจารย์จริง แต่คงไม่ใช่พระอรหันต์เพราะเราคือพระอรหันต์พระเจ้าน่ยอยู่ตรงนั้นมาสิบกว่าวันแล้วนะอยู่สิกว่าวันแสดงฤทธิ์ทุกวันเลยแล้วก็คิดอย่างนี้ทุกทีเลยก็เลยบอกกับเขาวนี้นะท่านเงยหน้านะบอกว่าอุรุเวละนี่ชื่ออุรุเวละอุรุเวละกระสัะที่ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์นั้นท่านเข้าใจผิดแล้ว ปฏิปทาที่ท่านดำเนินอยู่ก็ไม่ใช่ปฏิปทาเพื่อความเป็นพระอารหันต์จงละทิฏฐิ น, นี้สเสถะิะถ้าท่านยึดถืออย่างนี้อยู่ท่านจะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยพอพูดตรงๆอย่างนี้ขึ้นมานะเกิดสะท้อนใจว่าใช่ทุกทีเนี่ยพระรูจ่าไม่ได้พูดตรงๆเงี้ยกะให้รู้ตัวเองไม่รู้สักทีเหนียวแน่นมากเลยนะไม่รู้สักทีก็เลยต้องพูดตรงๆ เหมือนใจร้ายอะนะท่านไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกและที่ทางที่ดำเนินอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์เลยจงละทิฏฐิอันนี้เถิดจงฟังทำรรนี่ท้าอีกแล้วปรากฏว่าพอถูกทักตรงๆอย่างนั้นอุรุเวลากรสบาจึงยอมถอดใจว่าใช่เราไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกเราทำไม่ได้สักอย่างเลยนี่ที่สมณะเนี่ยแสดงมาตลอด หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําไม่ได้เลยแถมยังมีความกลัวด้วยซ้าไปมีความหวั่นใจมีความกลัวด้วยซ้ําไปก็เลยบอกยอมรับว่าใช่เราไม่ใช่พระอรหรันขอเรียนขอเรียนวิธีเป็นพระอรหันกับพระเจ้าก่อนจะขอบวชหันไปมองลูกศิษย์ก่อนนะว่าคือเกรงใจว่าลูกศิษย์เนี่ยจะยังนับถือเราเป็นพระอรหันอยู่แล้วก็ ถ้าเราไปนับถือส ม, มณรูปนี้แล้วอาจจะใจเสียก็เลยหันไปถามลูกศิษย์ว่าจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะขอบวชอยู่ด้วยกับส ม, มณรูปนี้ลูกศิษย์บอกโอ oh, ผมน่นนับถือตั้งแต่วันแรกแล้วรอเมื่อไหร่อาจารย์จะยอมสักทีบอกเลยนะว่ายอมตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เกรงใจอาจารย์ก็เลยเอางั้น พวกเราเปลี่ยนชุดชุดที่แสดงว่าความเป็นฤาษีคือมีชดามีหนังเสือเนี่ยลอยออกไปบริขารความเป็นฤาษีลอยออกไปแล้วขอบวชขอบวชเนี่ยไม่ต้องเตรียมจีวรไม่ต้องเตรียมบาทเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยมีบุญเดิมบุญเดิมของท่านคือทําบุญด้วยบาททําบุญด้วยจีวรมาตั้งแต่อดีตชาติพอชาติสุดท้ายพอขอบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าจงเป็นพิษุมาเถิดเนี่ยนะ สิ้นคำปุ๊บจีวอนก็มาเลยห่มเลยนะบาทก็มาเลยคลองผ้าเหมือนพระบวชหกสิบพรรษาหกสิบพรรษาหมายถึงว่าคลองได้คล่องมากไม่ใช่พึ่งบวชไม่ใช่พระใหม่พระใหม่ได้หม่มหลุดหม่มหลุดหม่มหลุดนะพระที่ห่มอย่างชำนาญแล้วดูดูน่านับถือนี่คือ ถ้าท่านใดทำบุญไว้ก่อนพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วเนี่ยก็จะมีบาทมีจิวรมาพร้อมไม่ต้องขอแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ทำบุญตรงนี้ไว้คือกะทำกรรมฐานอย่างเดียวก็จะเดินสมถวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ให้ทานไม่ให้ทานก็สามารถพ้นทุกข์ได้แต่พอขอบวชนะพะุทธเจ้าบอกจงไปหาบาทรจิวรมาก่อนพอตรวจดูบุญแล้วไม่มี ดูบัญชีบุญแล้วไม่มีตรวจแล้วไม่มียอดนี่อยู่จงไปหามาก่อนบางท่านก็หาได้บางท่านก็ถูกวัวขิดตายซะ